พวกที่เข้าคอร์สเข้าคอร์สยกมือหน่อยอารมณ์ได้แนละ้ววันนี้มีรถตู้ที่ไหนไหมอุบนอุบนมาไกลนะ แต่พวกภูเก็ดไกลกว่าใช่ไหมภูเก็ตหาใหท่ไกลกว่าอุบลเดี๋ยวนี้เรียนธรรมะก็สะดวกนะมีจัดกลุ่มกันมาเรียนมีรถตู้อะไรเงี้ยสมัยหลวงพ่อไปเรียนไม่มีต้องไปเอง บางทีนั่งรถทา้งคืนยังไม่ถึงไปต่อรถอีกเ mm hmm. ยน็ยนๆอีกวันเลยก็ถึงต่อรถแล้วบางทีเขาไม่ถึงนะต้องไปเดินอีก mm hmm. บางทีไปเพื่อฟังธรรมหรือถามกันบ้านครูบาจารย์ไม่กี่ประโยไม่ใช้เวลาเยอะ <c oughs> แต่คุ้มกับความลำบากทีแรกหลวงพ่อไม่ได้ไปเรียนหลายที่นะ่ะหลวงพ่อเรียนอยู่กับหลวงปู่ดุลแกหลวงพ่อพุธเนทะ่านั้นสององเ์ินหลวงปู่ดุลท่านรับรองนะว่าเข้าใจการปฏิบัติแนละ้เพึ่งตัวเองได้แนละ้วบางทีหลวงพ่อถึงออกไปดู ไปกราบครูบาอาจารย์อื่นไปหาประสบการณ์ <c oughs> เข้าไปแต่ละที่แต่ละที่นนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เวลาเทศรวมๆเนี่ยาจะสอนพุโทโธพิจารณกายเวลาหลงพาอเข้าไปเจอตัวท่านถ้าไม่สอนไม่สอนพุโทโธพิจารณกาย ท่านจาสอนให้ดูจิตต่อไม่งั้นไม่ใช่ครูบาอาจารย์วัดป่ามีแต่พุโทโธพินักกายไม่ใช่มันอยู่ที่จริตนิสัยของคนเรียน <c oughs> อย่างหลวงพุทธเนี่ยไม่เคยมาสอนเรื่องพุโทโธพินักกายให้หลวงพ่อเลยสอนพระอื่นมี ที่ท่านสอนหลวงพ่อมากเรื่องจิตกับใจว่าจิตอันใดใจอันนั้นจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเราปฏิบัตินะพัฒนาจิตจนมาเป็นใจมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดแท่านก็สอนเรื่องฌานกับสมาธิฌานก็คือการเพ่งอารมณ์อันเดียว้วยสมถะกรรมฐานนะันเอง ตรงกับคำว่าอารมณูปนิชฌานคำว่าสมาธิของท่านนะคือจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะความตั้งมั่น้วสามารถเจริญปัญญาได้ก็คือคำว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิมีหลายอย่างนะ นี่หลวงพ่อได้เรียนจากครูบาอาจารย์ชั้นเลิศหลายองค์หลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรนี้เข้าไปหาท่านบางองค์เข้าไปท่านสอนไม่ไหวละแล้วเข้าไม่ถึงเข้าไปกราบอย่างหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบอะไรนี้หลวงปู่หลุยยังแข็งแรงหลวงปู่ชอบท่านเป็นอัมพาตนอน ได้ยินข่าวลือนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในวงกรรมฐานวัดป่าบอกกันอย่างนั้นเราก็อยากไปไหว้พระอรหันต์บ้างจะได้บุญไม่ได้คิดว่าจะต้องไปถามอะไรเพราะว่ารู้ว่าเข้าไม่ถึงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะั้นไม่ใช่เข้าถึงได้ง่ายๆ ไปถึงท่านกำลังนอนแท่านอมภะท่านก็นอนนอนหันหลังอยู่ทั้งพราทั้งโยบนะล้อมไมเยอะเลยเราก็ค่อยค่ยมุดมุดม ด, ม, ด, ม, ด, ม, ดมีช่องนี้เห็นท่านเห็นหลังท่านลงกราบผมขอกราบพระอรหรันต์เรื่องในใจผมขอกราบพระอรหรันต์ท่านหัาอย่างนี้นะ แมมเราบอบบโอ้กดลุกเลยได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์จํานวนมากนะแต่หลังจากที่รู้หลักของการปฏิบัติแม่นแล้วถ้ายังไม่แม่นไปเรียนหลายที่จะงงงั้นหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยถ้าจะเรียนหลวงพ่อให้รู้เรื่องนะอย่าเพิ่งไปเรียนที่ไหนเรียนให้รู้เรื่องก่อน อนี่ตัวอะไรไกดต๊อกมันมาต๊อกอะไรอยู่แถวนี้ <c oughs> <c oughs> มีครูบาอาจารย์อยู่คงหนึ่งนะท่านสามารถแปลอับสอนของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าให้เป็นภาษาสมัยใหม่อย่างบันทีหลวงพ่อไปเรียนไม่ใช่บางทีทุกที ที่ไปเรียนกับหลวงพู ด, ดุลที่สุรินท่ากลับจะแวะโคราชมาหาหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อพุธเนี่ยเป็นพระกรรมฐานแต่ทันสมัยพูดภาษาเดียวกับเราในขณะที่ครูบาอาจารย์นะสำเนียงก็แปลกภาษาก็าแปลกฟังแล้วบางทีต้องฟังแล้วก็แปลแปลแล้วแปลผิดอีก พอเราไม่รู้ภาษาอีสานเรียนจยวหลวงปูดด่ตูนแล้วจะลงมาที่หลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็จะถามว่านักปฏิบัติถ้าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงพ่อก็จะเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่สอนมาอย่างนี้อย่างนี้ท่านจะขยายความให้ฟังแล้วเวลาท่านสอนเองนะท่านสอนกรรมาฐานที่ไม่น่านับถือเลย คนฟังเนี่ยมันจะดูถูกท่านทุําไปนึกว่าท่านภาวนามไม่เป็นท่านสอนบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดฟังแล้วมันเป็นกรรมฐานตรงไหนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดมาให้มีสติไปนี่แหละสุดยอดกรรมฐานอยู่ตรงเนี้ยฟังแล้วไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นเลย เงั้นในวงกรรมฐานยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่ยอมรับหรพอกว่าพูดลหลกนาไม่ยอมรับหรอกคิว่าท่านภาวนามไม่เป็นบางคนถึงก็ดูถูกเพาท่านนั่งสมาธิไม่เป็นหรือสิถึงมาพูดแต่เรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเนี่ยมหาพุทธเรียกกันเลยนะมหาพุทธภอนามไม่เป็น่ะ มีค่าวหนึ่งมีวัดเขานิมนท่านไปพุทธาพิเศษยุ่นั้นยังไม่ได้ห้ามจัดพิธีพุทธาพิเศษนี่พอคนเห็นท่านก็เริ่มปรามาบอก้อยทำไมเป็นนิมนต์มาหาพุทธมาจะภา น, นาเป็นเหลือนั่งสมาธิเขาไม่เป็นอะไรเงี้ยท่านบอกแหมฟังแล้วเจ็บใจ ท่านก็ขึ้นธรร ม, มาได้ท่านอธิฐานจิตเลยนะขอให้จิตรวมยันสว่างเลยทีเดียวพอมือน้มือเ ท, าาท้าขวาทับขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพอมือแตะปุ๊บนี่จิตรวมเลยรวมไปจนสว่างรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยขออุ้มท่านลงมาจากธรร ม, มนะแล้ว แล้คนที่ว่าเป็นนิมนมาหาพูทธมาทําไมนะมันก็ยังว่าอยู่เนี่ยบอกแล้วว่อย่าเป็นนิมนตายไปแล้วดูซินั่งสมาธิตายเลยไม่หายใจนะยันสว่างนี่นวดกันยังไงก็ไม่ฟืน้น <c oughs> <c oughs> แต่ท่านออกจากสมาธิมาคำสอนของท่านไม่ธรรมดาจนกระทั่งหลวพอเรียนจากหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายเนะี่ย หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไปหาท่านเนี่วันล่วงหน้าก่อนท่านมรณภาพไปหาท่านแล้วอีกสามวันแล้มรณภาพหลวงปู่สอนบอกว่าพอผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พอบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออสำคัญนะจําไว้นะ ครับจะจำไว้วันลุกขึ้นลงมาโคราชอยู่กับหลวงปู่อยู่ในค่ำเลยลุกขึ้นเรามาโคราชหลวงพ่อพก็ถามสไตล์เดิมว่าง่ายนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนว่าพ่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุดบอกว่าเมื่อเจ็ดวันก่อนก่อนที่หลวงพ่อจะไปเจ็ดวัน หลว ง, งพ่อเพื่อไปกราบหลวงปูดุลเหมือนกันหลวงปู ด, ดุลบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไร พ, พ่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็ขยายความให้หลวงพ่อฟังเนี่ยบทบาทของท่านนะในการสอนหลวงพ่อคือขยายสิ่งที่หลวงปู ด, ดุลสอนเพราะหลวงปู ด, ดุลสอนประโยคเดียว2ประโยค หรางพูอพบอกการทำลายผู้รู้ไม่ใช่ไปทำลายตัวผู้รู้นะทำลายตัวผู้รู้เนี่ยก็คือการเห็นไตรลักษณ์ของตัวผู้รู้แล้วจิตทำลายเองถ้าเห็นไตรลักณ์ของผู้รู้ไม่ใช่ไปหาทางทำลายตัวผู้รู้ไปเฉยๆท่านก็บอกว่าคุณกาตมามาทำกติกากใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกัน ให้มาบอกกันเราฟังแล้วนะเราคนลุกเลยว่ท่านภาพผู้ใหญ่นะท่านพูดแบบนั้นแต่เราฟังแล้วเราไม่ได้เหมิมเกลิมลว่าท่านบอกว่าให้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะถ้าใครทาเสร็จก่อนให้มาบอ ก, กอะไรเี้เรารู้ว่าเป็นอุปายของท่านหลงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอาวุโสกว่ท่านไม่ใช่หลงพาอนะอาวุโสนะหลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าท่าน เพราอยู่ๆท่านจะมาสอนลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เนี่ยทำไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าถ้วมีอะไรมาแลกเปลี่กันนะท่านจะสอนเรานั่นแหละมารยาทท่านงามมากนะมงค์กรรมฐานเนี่ยไม่หยแตกเหมือนทุกวันนี้แนหะเห็นใครเขามีลูกศิษย์ที อ, อยากได้ลูกศิษย์เขาอะไรอย่างนี้นะมั่วซั่วไปงั้นท่านไม่มีเลยท่านกับบอกว่าคุณกาตมามาทํากติกากันท่านใช้กติกาไม่ทําสัญญานะทำกติกา ใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันแล้วใครจะทําลายได้ก่อนสรุปได้ไหมก็ <c oughs> ท่านสิ <c oughs> เราเป็นกระว่าจะไปภาวนาขนาดนั้นได้ไงนะไปเจอท่านนะหลังจากนั้นสิ้นหลวงปู่ ด, ดูลไปแล้วสักช่วงหนึ่งนะไปหาท่านแล้วไม่เคยเจอเลย ท่านอาพาธเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยท่านก็ต้องหลบโยมโยมยุ่งทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็เอาเชโรกมาแพร่ด้วยคนเป็นมะเร็งทีให้ยาไปต่างกายไม่แข็งแรงนี่ต้องมีเครื่องช่วยนี่ไปหยิกเชโรก <c oughs> นี่หลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อพุทธค้างสุดท้ายนะ ก่อนท่านมาลาท่าไม่นานท่านรับนิมนต์นไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทํางานอยู่ของค์การโทรศัพท์กับคุณแม่พอ <c oughs> ท่านเทศเสร็จนะเข้าไปกราบท่านบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานละหาตัวท่านไม่เจอท่านบอกหลวงพ่อจําได้นับปฏิบัติมีไม่มากหรอกทบเรียน <c oughs> ท่านอีกบอกหลวงพ่อครับผมยังทํำลายผู้รู้ไม่ได้เลย ท่านก็ปุ๊บขึ้นมาเลยนะสว่างว่าเพิ่มมาเลยนะท่องใสเบิกบานมีพลังเต็มที่เนยะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือออกมาเองเราเข้าใจนะฟงังผู้บเราเข้าใจแล้วจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักไหมฟองไข่ไไขไขไขเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเป็นฟองฟอง จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่ลูกไก่ที่อยู่ในไข่อ่ะโตเต็มที่มันจาะทาลายตัวเองเพ้จิตผู้รู้เนี่ยที่เราทําลายผู้รู้ทําลายผู้รู้เนี่ยผู้รู้ทําลายผู้รู้เองเราไม่ได้ทํานะฟังแลปิงเลยรู้แล้วว่าท่านทําลายผู้รู้ไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านก็มารณภาพ ดูท่านอุตสามาทำตามสัญญานะมาทำตามข้อกติกาหลวงพ่อพุธไม่ใช่พระธรรมดาคนไม่ฉลาดก็ไม่รู้จักท่านที่จริงเชี่ยวชาญทั้งสมาธิทางปัญญาปัญญาแก่กล้ามากถ้าปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยปราบคนเมืองไม่ลงแต่คนเมืองโง่ๆก็มีนะ ทำอะไรโง่ๆมันเชื่อทีพระสอนดีๆไม่เชื่อหรอกถ้าท่านหลอกหน่อยหนึ่งน้มันเชื่อเค่มีทหารนะไปที่วัดปาสารวันแล้วก็ไปเช่าเหรียญหลวงพ่อพุธอะไรเงี้ยไอ้พักพวกที่ไปด้วยมันก็บอกจะขลังเร้อมันคิดดังมันคิดดังจะขลังเร้อ แหมหลพ่อพูดบอก <c oughs> มันนะมาด่าเราถือกูติเลยท่านกําลังผ่ามากเยู่ท่านฉันหมากมากเป็นลูกๆเ น, นี่ยนะบอกเสร็จท่านแงะเอาเปลือกมาเนื้อท่านฉันนะท่านเอาเปลือกหมากโยนใส่เอาไปยิงดูมันก็แน่นะมันก็ยิงีจริงนะยิงเสร็จแล้วมันก็วิง่งขึ้นมาเก็บเหรียญท่านไปเยอะเลย <c oughs> งั้นเรื่องสมาธิท่านก็เก่งเรื่องปัญญาท่านก็เก่งแต่ทําไมท่านเก่งขนาดนั้นท่านกับสอนเราว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดอันนี้เป็นกรรมฐานที่ดีสําหรับคนหัดใหม่ๆ ห, หรือคนในเมืองคนในเมืองหรือคนหัดใหม่อย่างพวกเราเนะี่ยไม่ได้สงชาญไม่เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยจะฝึกสมาธิกันนาน ฝึกกันหลายปีว่าจิตจะทรงสมาธิพอจิตทรงสมาธิเต็มที่แล้วเนี่ยท่านถึงจะเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือต้องดูกายเพราะกา ย, ยานุปัสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับสมถาญาณิกเหมคนทรงชานพวกเราเข้าชาญไม่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะก็คือการดูจิต จตานุปนัสสน า, านี้เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกหมาคนที่เจริญวิปัสสนาไปแล้วสมาธิเกิดทีหลังเป็นสมาธิเป็นปัญญานําสมาธินะเป็นปัญญานําสมาธิวิธีปฏิบัติก็คือการมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะเดิมจะทําจะพูดจะคิดมีสติระลึกเรื่อยๆไป อะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวอะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวรูปหรือร่างกายใช่ไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวอะไรคิดใจเป็นตัวคิดเพราะนรู้อะไรรู้ที่กายรู้ที่ใจร่างกายทํางานรู้สึกจิตใจทํางานรู้สึกเนี่ยสุดยอดวิชาขอท่านเลย ฟังแล้วเปลนเปลนไม่มีหอเหินเดินอากาศอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนไม่จะบอกด้วยว่ายืนท่าไหนเดินนั่งท่าไหนนั่งท่าไหนนอนท่าไหนไม่พูดเลยแถมบนี้เคยบอกหลวงพ่อเลยว่าอย่างเรานะเอาหัวทิมดินเอาเท้าชีฟ้าเราก็เข้าสมาธิกันได้เพาว่างี้นะหัวลงดินเอาเท้าชีฟ้าไม่เกี่ยวกับอีริยาบท งั้นท่านไม่มานั่งสอนเราว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยอยู่ในท่าทางแบบไหนยืนแบบไหนเอามือไว้ยังไงเอาเท้าไว้ยังไงเนี่ยไม่สอนท่านสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนยิสุทัลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ไม่ได้มี่เดินมีกีจังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตัวพระพุทธก็ไม่ได้สอน เวลายืนเดินนั่งนอนเวลากินให้ร่างกายเป็นคนกินเวลาดื่มดื่มน้ำอะไรเงี้ยเวลาทํางานเช่นกวาดบ้านถูบ้านขับรถอะไรเงี้ยใครเป็นคนทําร่างกายเป็นคนทํำเวลาพูดร่างกายเป็นคนพูดแต่ร่างกายพูดเข้าใจเป็นคิดนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้ก็เพราะใจเป็นสั่งอย่างขณะเนี้ยใจมันสั่งให้นั่งมันก็นั่ง งัร่างกายเป็นลูกน้องจิตใจเป็นเจ้านายคนสัตว์โบราณบอกว่าจิตเป็นนายกลายเป็นเบาเราเดี๋ยวนี้คําว่าเบาวเราไม่รู้จักแล้วบางคนคิดว่าคล้ายๆคําว่าบา่างคนละเรื่องนะเบากับบางรู้จักอยู่คําเดี๋ยวเจ้าเบาแต่ไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นเจ้าเบาเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าเบาแล้วนะ กานแต่งงานไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านผู้หญิงคนไทยโบราณผู้ชายแต่งงานเนี่ยต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงนะกลับข้างกับคนจีนในความฉลาดเพราะเวลาผู้หญิงจะออกลูกเนี่ยไปออกลูกในบ้านของผู้ชายมีแต่ญาติของผู้ชายไม่คุ้นเคยไม่มีกำลังใจไม่ข ย, ยันคลอดดูแม่นาคแยกไปอยู่กับสามีไม่อยู่กับญาติไม่มีกำลังใจจะคลอดเลยไม่คลอดเลย งั้นผู้หญิงอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะมีความอบอุ่นผู้ชายเขาเข้มแข็งไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายไปอยู่แล้วก็ต้องทําตัวเป็นบ่าวไปรับใช้เขาเพราะอะไรเพราะไปกินข้าวเขาไปอยู่บ้านเขาไปไปได้ลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยได้สมบัติของเขาอีกงั้นเลยเป็นบ่าวนะบ่าวต้องไปรับใช้ ร่างกายนี้เป็นบ่าวของใจใจเป็นคนสัง่งงนเวลาที่เราจะภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากหรอกร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยเรารู้ทันใจตัวเองไห้ใจมันเป็นคนสัง่งจะพูดได้ใจพูดก่อนรู้สึกไหมก่อนจะพูดออกมาให้คนอื่นได้ยินใจพูดก่อนงัเราเคยรู้สึกนะร่างกายยืน เราก็รู้สึกร like ่างกายยืนนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายนั่งก็เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเนี่ยมีกายมีใจนะใจสั่งให้นั่งพอนั่งแล้วใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งใจสั่งให้เดินพอเดินแล้วใจก็เป็นคนรู้ว่าร่างกายเดินคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูด ก็คอยรู้สึกไปใจเราเป็นคนดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูเวลาใจมันจะคิดมันคิดเรื่องนี้เป็นสุขมันคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์มันคิดเรื่องนี้โลภโกรธลงก่อนจะโกรธต้องคิดก่อนดูออกไหมเคยสังเกตตัวเองไหมก่อนจะโกรธต้องคิดก่อน คิดซะ น, นิดหนึ่งนะมันถึงจะโกรธก่อนจะรักก็ต้องคิดก่อนนะอยู่เฉยๆไม่รักหรอกอยู่เฉยๆไม่โกรธหรอกต้องคิดนิดหนึ่งก่อนคิดเรื่องนี้ขึ้นมารักคิดเรื่องนี้ขึ้นมาโกรธงั้นใจมันคิดนะคอยรู้ทันพอคิดแล้วมันรักขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้ เนี่ยดูร่างกายนะก็ดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดไปใจเราเป็นคนดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูตัวอย่างนี้เรื่อยๆลองหลับตาซิแล้วขยับมือกำมือแบมือกำมือแบมื อ, ร, มอรู้สึกไหมว่าใจเราเป็นคนรู้ร่างกายที่ขยับมือใจเราเป็นคนรู้บางคนพยักหน้าหลวงพ่อถามว่ารู้รู้สึกไหม ร่างกายขยับมือใจเป็นคนรู้มก็พยักหน้าเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนรู้ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เราจะรู้ทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเอาใหม่หลับตาแล้วขยับมือใหม่ใจเป็นคนดูรู้สึกสบายๆอย่าทําใจเครียดเครียดปฏิกีและรู้สึกไหมพบทเรียนที่สองชาเกตเครียดปฏกีแล้ว ยิ้มหวานยิ้มหวานเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเห็นร่างกายยิม้มเห็นร่างกายพยักหน้าลองขยับซนะิขยับมือนะเคลื่อนไหวรู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันบอกไหมว่านี่ตัวเราร่างกายไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเราเพราะร่างกายคิดไม่เป็นตัวที่คิดคือจิตมันคิดแล้วมันชอบคิดผิด มันคิดแล้วหมายรู้ผิดว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรานี่เรามาหาัดแยกนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้แล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปก็แยกนมามธรรมนะความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูในขณะ น, นี้ใจเราถ้าไม่สุขก็ต้องทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องเฉยมี3แบบสลับกันอยู่ในใจ ตลอดเวลานะตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่ขณะ น, นี้ใจของใครมีความสุขยกมือซีขณะ น, นี้ใจใครมีความทุกข์ยกมือซีขณะนี้ใจใครเฉยๆยกมือซีขณะ น, นี้ใครที่ยังไม่ยกเลย3อย่างนี้ยกมือซีมีไหมพอได้ไม่เป็นเพราะในใจเราเนี่ยจะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเนี่ย หมุนเวียนอยู่ยทั้งวันแหละนะไม่อันใดก้อนหนึ่งแหละนะงั้นเราหัดสังเกต น, นะใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกเราก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ถ้าใจเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็คือไม่ได้ปฏิบัตนะิถ้าเรารู้อยู่ว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงเราปฏิบัติอยู่แล้วเราจะพบว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือใจเราเป็นกุศลหรืออกุศลนะมีอยู่ทั้งวันใจที่เป็นกุศลอกุศลนะใจอกุศลก็เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะมีอยู่สามแบบโลภโกรธหลงเวลาหลงก็คือใจมันจับสภาวะได้ไม่ชัดเจนไม่รู้จักสภาวะเหราะฉะนั้นเมไหร่เราไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจนะเมื่อนั้นหลงเมื่ะนั้นหลงเพราะไม่รู้สภาวะ ถ้ารู้สภาวะได้อยู่เรียกว่ามีสติอยู่ไม่หลงถ้าขาดสติก็คือหลงไปงั้เรารู้สึกตัวได้่เวลาหลงเนี่ยใจมันล่องลอยไปเวลาโลภใจต้องลอยไปก่อนแล้วไปคิดอะไรบางอย่างแล้วก็โลภเวลาโกรธใจต้องลอยไปก่อนไปคิดอะไรบางอย่างแล้วก็โกรธเนี่ยกระบวนการของมัน ถ้าหลงนี่หลงเดียวเดียวได้ถ้าโลภกับโกรธเนี่ยต้องเกิดร่วมกับหลงถ้าไม่หลงจะไม่โลภและไม่โกรธนี่เป็นกฎของธรรมะเลยนะไปดูตัวเองเลยตอนโกรธนี่หลงทั้งนั้นแหละตอนโลภนี่โลภหลงทั้งนั้นแหละถ้าไม่หลงอย่างเดียวจะไม่โลภไม่โกรธ ด, ด้วยงั้นตัวหลงเนี่ยตัวใหญ่นะตัวหัวโจก เราคอรู้สึกไปใจเราโลภขึ้นมาเราก็รู้ใจหายโลภก็รู้ใจเราโกรธก็รู้ใจหายโกรธก็รู้ใจเราหลงไปเราก็รู้ใจหายหลงเราก็รู้ใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้มีความสุขแล้วความสุขหายไปก็รู้มีความทุกข์แล้วความทุกข์หายไปก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนี้รู้ได้ว่าเรารู้ใจเราใจเราเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปแทรกแซง รู้ร่างกายก็ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดเราก็รู้ไปเรื่อยๆร่างกายนี้ถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่ใช่ตัวเราอนี้ต้องไล่แล้วให้ใหใหมาจองสัมปทานแถวนีู้ <laughs> มันน้องกันสารพัดเสียงแต่ไม่เป็นไรแปดโมงแล้ว มีคนถวายมามาสิบตัวเราก็นึกว่จจะปล่อยเข้าป่าปล้าวิ่งตามคน <c oughs> <c oughs> นี่จะเลี้ยงแบบไก่ป่า <c oughs> เมื่อกี้ตัวอะไรหัวเ้อตัวหลงหัวล้อเห็นไหม <c oughs> งั้นใช้ได้ไหมที่หนูปฏิบัติอยู่ อยูในร่องในรอยไหมนี่ไม่ต้องถามหลวงพ่อแล้วไอ้ที่หัวล้วแต่เกียร์ใครหัวล้าไอ้ตัวหลงหัวล้าไม่จะใช้ไม่ได้นะไปกินข้าวไปแล้วดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดนะแล้วก็ไปอือไปฉี่อะไรก็ค่อยดูไปนะนี่หมดเลยครับเชิญกรรมการนะแล้วก็ทีมงานของหลวงพ่อนะหลวงพ่อต้องบอกนิด น, นึง ห้องนี้มันไม่พอนั่งแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนขอเข้าไปชั่วคราวครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะพอเข้าไปแล้วไม่ออกอะ่ะเข้าตลอดนิรันดรเพราะฉนั้นต่อไปนี้นะกรรมการคือกรรมการคนอื่นถ้าหลวงพ่อจะเรียกจะเรียกเป็นคราวๆเรียกเป็นคราวๆแล้วพวกตีซีไม่เอานะเดี๋ยวจะซีจริงๆไปนะ อยู่ๆเดินก็ไปเฉยๆก็มีนะเมื่อก่อนไม่ไล่เพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวนี้ที่ไม่เหลือแล้วนี่หมดแลยจันอ้อยพี่ชัยมาเปล่า อ, อ้อยกับพี่ชัยมายัางส่งนบางส่งในเวลานะส่งตอนที่ลงพอ ยางสอนอยู่นะแต่หลวงพ่อจะใช้ข้าวแล้วไม่เอา